เราจะเริ่มนั่งสมาธิกันสักนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรสุดความสามารถขององค์สมาธิที่เราจะกำหนดได้โดยมีหลักการห้าประการเจประการเป็นเรื่องวินัยที่เราจะต้องจำไว้เพื่อจะทำที่บ้านจะได้ไปทำถูกต้องแต่พระนินที่นี่ก็เปิด ก, กันทุกวันเลยโย่ข้อที่หนึ่งตั้งฐานคือนั่งขรบขระเรียบร้อยข้อที่สองตั้งกายตรง กายของเราอย่านั่งให้หลังโน อ, อย่านั่งเอียงซ้ายเอียงขวาข้อที่สตั้งศีรษะให้ตรงมามันหน้าให้พอดีอย่าก้งไปนักและอย่าเหนื่อยไปนักข้อที่สเอามือของเราวางซ้ายขวาระหว่างหัวเขา่าแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของพระพุทธธรรมผสมสัพระรอารยะหนึ่งข้อที่หยกพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานขอบนเพนสินภาวนา สินสมาธิปัญญาล่องลอยของพระพุทธเจา้าสุดความสามารถขององค์สมาธิข้อที่หกราบลงไปในพระพุทธธรรมประสงค์ข้อที่เจเข้าสมาธิภาวนากายเป็นธรรมแล้วก็จิตเป็นธรรมนี่หับ บ, บบาศกบาสิกาพระชีก็คงจะเข้าใจกันนะอาระเริ่มได้เลยข้อที่หนึ่งตั้งฐานให้ตรงจะองนะ ข้อที่หนึ่งตั้งฐานนั่งผัเพียรไปเรียบร้อยเอาละข้อที่สองต่อไปตั้งกายให้ตรงข้อที่สามวางทิศให้พอดีจะให้ตรงวางไปหน้าแร้ให้ตรงตรงเาไมองไปทางหน้าพอประมาณทุกสามวัข้อที่สี่เอามือจับภูเขาไส่ควา ข้อที่ห้าประดมือขึ้นทุกองค์และยอดโยมดวแต่นี้แหละเรื่องของเราที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาตามร่องรอยของพระอริยเจ้าและแต่เราจะนั่งคือจะนั่งประทับถ่ายหนึ่ ง, งานาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีส้นสุดของการนั่งสมาธิหมายกาหนดสามสิบนาที อ่เสร็จแล้วกราบลงไปข้อที่หกราบกราบด้วยความเต็มใจที่เรียกว่าศรัทธาภาษาทักองพระพุทธธรรมพระสงฆ์สัจธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นแก่นสารเราจึงใช้คําว่าพุทธังสรานังขะฉ า, ามิธรรมังสรานางาาสังขะฉ า, า, า, ามิสามังสารนังขะฉามิพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเป็นที่พึ่งของเรา แล้วเราก็เข้าสมาธิเอามือซ้ายวางที่หน้าตัดมือขวาทับมือซ้ายหัวนิ้วโต้ชนกันนิดๆไม่ถึงขนาดไปกดหัวนิ้วโต้งขาหากันแล้วเราก็หลับตาภวนาพุโทโธสูงจิตส่วนกายก็นั่งนิ่งๆเฉยๆอยากเคลื่อนไหวไปทางไหนอย่าไปใช้มือของเรา ปลายโนนป้ายนี่หรือทำโนนทำนี่เขาเรียกว่าสมาธิของพระต้องมีอุเบกขาเป็นอิสระเพราะเรามาเอาเยึยงอย่างของพระเป็นวินในแล้วต้องรู้จักคำว่าหนึ่งขันติอดทน 2. มีสติพิจารณาถึงคุณธรรมในสิ่งที่เรียกว่ากายธรรมแล้วก็จิตหรัธรรและสักพักหนึง่งโยงผู้หญิงโยงผู้ชายวายศกบา ย, ก, บาย ก, กา ฝากมิสัยไว้กับพระอริเจ้าดีกว่าฝากมิสัยไว้กับเขาเดี๋ยเราจะกลับไปบ้านเออวันนั้นไปที่ทำมาพระท่านสอนให้นั่งสมาธิจิตมันจะได้ถองสายเอาสักหน่อยน่ะสองนาทีก็อย่างดีห้านาทีต่อไปเราจะชอบอะไรไม่สุขถ้าก็ทําสมาธิเหมือนอย่างทาที่ท่านสอนว่าจิตตั้งทันตังสุขขาวง จิตที่ฝึกฝนด้วยสินสมาธิปัญญาสุกจิตเป็นสุดสมาธิสามารถจะกป็นัดเหตุเข้าใจเหตุสามารถจะรู้จักคำว่าผลหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตรงด้านนั<ๆ>่เรียกว่าสินสมาธิปัญญาเอาละขอนะาไปสั ก, กเดียวนะตอนนี้เราต้องช่วยตนของตนนะ เราอยากจะมีคําว่าอัตตายิอัตโนนาโถแล้วก็ต้องต้องช่วยตนให้มากไม่มีใครจะช่วยเราได้นะคนตายคนผายที่นั่งคนข่าวจะมาช่วยคนให้เราหรือมาทําสติให้เราไม่ได้นะตอนนี้สติและสัมปทานะต้องคงที่อยู่กับคําว่าภาวนาพุโทโธข้อที่สองมีสติมีสัมปทญญะขันติอดทนต่อเวทนาคือการปวดการเมื่อย เวขาวางเฉยตัวเจี่ยบอย่างที่พระเจ้าบนเพนตมาที่จะเหลือแต่โครงกันจะเหลือแต่หนังหุ่งกระดูกนะขนาดคนขนาดไหนเราก็เอาปันพอเป็ น, นิีไนไเล็กๆน้อยๆเพื่อใ้จักความคนต่อไปเดี๋ยวไปทำที่บ้านจะได้ฆ่าขนาดของให้คนแล้วก็ต้งมาคนสิ ส น, นมีสติแล้วก็ต้องมีสติมีสอะไรอย่างี้เาเรียกว่าจับตนคน ต, น, ตนหาเหตุหาผลจากกายวาจาสิ่ง ต, น, ตนเป็นสเป็นใสที่เราทานี่ก็เรยนมีใสทำอยากจะมีทำไมอยากมีคับอยากมีค่าอ้าวอยากมีก็ทาอย่างนี้นี่เาเรียกว่าอัตตาหิไม่ใช่ว่าปัจจัยสี่บนชั้นที่สองคือหมั่นจเจริญินสมาธิปัญญา บุญท่านที่3การภาวนาเป็นจิตคือภาวนาให้จิตของเเป็นเอกะเอกะก็แปลว่าหนึ่งเอกจิตจิตเป็นหนึ่งได้เป็นบุญท่านที่สามหสะสมเอไว้ไม่เสียหายบุญเป็นสิ่งที่ดีบาปมันทเป็นสิ่งที่ทาให้เราทุกข์ เปิดความสา ม, มารของสมาธิเรานะเขไม่บังคับหรอกมันจะได้สักกี่นาทีกันเรื่องของเรา5นึ่งนาทีสอนาทีสานาทีส0นาทีย0่สามสเป็นตุดหมายการคงเนี่ยเราเราไหว้งค์พระเจ้าของเราอ่ะเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพะระเจ้าที่น่ากราบน่าไหว้ท่านเป็นบุนคคลที่ดีดีทั้งทางกายดีทั้งทางวาจาและดีทางจิตดียื่นความดีมีอยู่ให้เราเพื่อจะได้เป็นคนดีกับนบ้างดีมากดีน้อยแค่ไหนก็นได้แต่เราก็ได้บา่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆวันหนึ่งดีถึงที่สุด สิ่งที่ เ, เรียกว่าดีชั้นกะดีเจ้าคงมักเกิดขึ้นแก่กายวาจาจิตของเราการภาวนาอย่าทำจิตตายนะตั้งจิตนิ่งๆพุทโธเป็นที่พึ่งในขณะนี้หน้าที่ของจิตคือการภาวนาพุทโธ อย่าพุ้งกล้า่อย่าไปคิดอย่าไปห่วงอย่าไปกรนกวนขั น, นติดเท่านอย่ายงเดียวแล้วกายน้นนั่งอยู่เฉยเฉยอย่าไปกระดุกกระดิกไม่งั้นเวรคขาไม่ได้ขันติ ด, ดทนไม่ได้หรือจำ ไ, ได้แต่เพียงลิ้นเฉยเฉยถามว่าขันติแปลว่าละอดทนรูเ้เสียเบรคขาแปลว่ า, าเบรวางเฉยรู้เสียแต่ไม่เคยทมไม่เคยเฉยเ ต้องให้จิตตอบได้แล้วก็ให้กายตอบได้ถึงจะเรียกว่ารู้จักไม่ใช่ว่าให้ริมตอบได้เฉยๆดวามสามารถนะเสรีภาพของความเป็นไทยคือไม่มีการบังคับแล ะ, ะเรียกว่าคำสอนพุทธจ้าททำด้วยศรัทธาคือความเชื่อทำด้วยภาษาธรรมคือเรื่องใส่ ทำด้วยน้ําจิตน้ำใจที่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าเต้นใจทำเจานะ้าเนี่ยไปนั่งอย่างนี้เนะี่ยถึงหปีนะีไปนั่งไปเดินไปยืนไปใสญยาดไปทําใจในร่องรอของพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าหกปีถึงได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรคือโลกอะไรคือธรร อะไรคือกรรมอะไรคือธรรมใช้เวลาทั้งหกปีนั่นลักษณะของสัพพัญญูที่จะกัดสรุในปัจจุบันนะใช้ได้ว่าจิตของสัพพัญูความสามารถของท่านความแข็งแกล่งความเด็ดเดี่ยวความเพียรความพ ย, ยายามแม้ลูกกษัตริย์อยู่ในเมืองเนื้อเหลือง ไม่เคยลำบากไม้ทต น, นี้เดียวเราไปนั่งหายุงให้ลิ้นให้ไรยกัดอยู่ในป่างัหปีแล้วเราลองคิดสักนิดว่าท่านอขันติอดทนไหมไม่ใช่ว่าศาสนาเจริญอย่างนี้ยังไม่มีคำว่าพุทธไม่ใช่มามีกติใครไม่ได้ไปปลูกกติให้อยู่เราต้องเรียกว่าพุทธบิดาแปลว่าผู้ที่ ต้องเป็นอ่าอ่าแปลว่าผู้ที่ทำงานหนักก่อจะได้คำว่าองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องทำงานหนักจัาเราเป็นบุตรแปลก็แปลว่าผู้รับบรดกบรดกของเราก็คือเยี่ยงใหญ่และร่องรอยสามประการของพระพุทธธรรมประสงค์ทำเพื่อกัตันยูกัตเวทีทำเพื่อ รักษาความดีที่ท่านได้ทำขไว้หรือสอนขไว้เรียกว่าทาด้วยน้ำใจทำด้วยจิตด้วยน้ำใจที่ประกอบก็ด้วยสติและปัญญาไม่จะทำอย่างเสียไม่ได้เกรงใจถูกบังคับหรือว่าทำเพื่อหลาบระื่อย์เพื่อยินดีการกินการอยู่การนอนในประเภทอย่างนั้นองค์วสิทธะออกบวช โอ้ไปนั่งอยู่ในป่ามุ้งก็ไม่มีจจา ก, กาันมอนก็ไม่มีเจหนุนเสื้อไม่เย็กปูจะไปนอนอยู่ตามตีนเขาตามหุยตามน้องตามปลาตามลกเนี่ยเดินอยู่ในร่อง้อยที่เราทำาหปีจึงได้กัดรปเปูเป็นอาอาเป็นองค์สัพพัญญูหรือว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าเราไม่ได้ท่านขึ้นมาเป็นประธานสอนเรื่องของดีชั่วบาปบุญนั่นีอยแล้วเสร็จถึงยังไงก็เสร็จเราคนเราในโลกนี้เขาเรียกวาโลกแห่งอวิชชาแล้ ว, ว่าโลกของคนที่ไม่รู้บาปรู้บุญไม่รู้เส้นทางของบุญไปถึงไหนและก็บาปไปถึงไหน ถ้าไม่มีสัพพัญญูคือองค์พระเจ้ามาสอนเราแล้วก็เราก็คงจบนี่แหละพระคุณของท่านมีคุณต่อจิตของเรามากนักจิตคนจะดีเนี่ยต้องอาศัยพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ดัหรือแก้กไขถ้าไม่มีพระพุทธประทหาพระพุทธรรมพระสงฆ์ดักแล้วกสายมันจะแข็งกระด้างก็เรียกว่า นิสัยที่ไม่รู้จักคำว่าอารมณ์หรือสิทธิอะไรประเภทอย่างนั้นทำนี้นเราก็ปฏิบัติทําเพื่อดูร่องรอยของท่านผู้มีธรรมดูร่องรอยของท่านที่รู้จักกรรมและเราเป็นบุตรรู้จักธรรมและรู้จักกรรมเนีควรจะตอบสนองท่านอย่างไรดีจึงจะเรียกว่าบุตรที่ดีบุตรที่ดีก็ต้องปฏิบัตญอยู่กตเวทีต่อพุทธบิดา พรพุทธเจ้าเน่เหมือนพ่อพระธรรมเน่เหมือนแม่พระสงนะ่ะคือแนวค่าคือตัวของเราถ้าสงไม่เชื่อฟังฟคำสอนของพ่อแม่หรือบุตรไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่น่ะแล้ลูกได้ดี้ยมบวจะเป็นนักบวดเป็นบาิตกปฏิการกแล้วแต่ ถ้าไม่เชื่อในธรรมะคำสอนของพ่อแม่แล้วจะเป็นยังไงก็จะเกิดเป็นอัตตาการถือตัวยิงยะโสอวดดีถือตัวใช้อารมณ์ประหัสประหารติเตียนเสียดสีทำลายอิจฉานิสยาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในคาว่าไม่เชื่อคำสอนของพ่อแม่อันนั้นพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงเรียกว่าเหมือนข้อหรือว่าพุทธบิดา พระทําทเหมือนแม่แม่ไปจะเรียนกายเรียนจิตพ่อไปจะนําทางชีวิตให้สู่ความปลอดภัยเรื่องของเวรของกรรมเรื่องของความทุกขต์ต่างๆเนี่ยขอให้เข้าใจถึงคําว่าคุณกับโทษทําไมนะสาวกที่เชื่อพระพุทธเจ้านะ่ยจึงมีแต่คําว่าคุณคือได้ดีทําไมสาวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนะ่ย จึงมีแต่โทษคือไม่ได้ดีพระเจ้าไม่ได้สอนให้มานับถือท่านหรือว่ามาส่งเสริมท่านมาเยินยอท่านหรือเอาอะไรมาให้ท่านแต่เจตนาพระเมตตาคือท่านเมตตาเราด้วยน้ําใจกลัลวนาเราด้วยน้ําใจมุทิตาเราด้วยน้ําใจกูเบขาด้วยน้ำใจเขาจึงเรียกว่าพรหม ชมจึงสมควรเป็นที่รักของของบุตรจึงเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระส เ, เนี่ยจำไว้ศึกษาหาใจความได้ให้รู้เรื่องท่านจึงบอกว่ารรมบทที่หนึ่งถึงท่าป่าชาสามทำย้อนหลังเขานะรรมบทที่หนึ่งถึงท่าป่าชาสามที่หนึ่งอะไรอ่ะ ก็นี้แหละสังขารมนุษย์เนี่ยมีธาตุสีขันห้าวิญญาณและจิตนเนี่ยเขาเรียกถึงข้าที่หนึ่ง้ามนุษย์จะรู้จักตีจักทั่วต้องสังถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่อยู่ในจิตในกายนเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมบทที่หนึ่งถึงข้าปัจฉาสองถ้ า, ามนุษย์คนไหนไม่สางสิทำเป็นไม่ยินดีความ ด, คามดีความชั่วอยู่ในตัวของตนสิมนุษย์ก็จะเห็นตนเองดีแล้ว ก็จะใช้ไอคำว่าอัตตาถือตัวถือตนเป็นใหญ่ึกษาธรรมโลคุตราเนี่ยต้องศึกษาทัาา้ทางจิตเลยนะฟังดีๆแล้วก็ได้ได้แนวทางเลยถ้าฟังไม่ดีไม่สนใจแล้วงงเลยหลงทางเลยถ้าเรียกว่าย่อทำแปดหม8่0สี่พันก็ทำ 8, 000, 000, 000, มาขันเหลือทำยอ่อๆพอได้เจ็กว่า เพื่อให้เราไม่ได้กระทำจริงเป็นธรรมเก่านะโยมนะธรรมเก่ามาเล่ากันใหม่ก็เรียกว่าธรรมย้อนหลังไปดูเยี่ยอย่างคนมีธรรมแล้วก็คนมีกรรมคนมีธรรมและก็คนมีกรรมนี่คือธรรมย้อนหลังแต่ธรรมปัจจุบันนี้เ้าเรียกว่าธรรมตำราธรรมทีธรรมเดินหน้า มีตำราเป็นสมุทฐานเรื่องการบริหารการงานเรื่องของความดีความชั่วหรือเรื่องบุญบาปปัจจุบันนี้คนเราก็ไม่ค่อที่จะสนใจเท่าที่ควรเขาเกิดขึ้นจากคำว่ารู้ก่อนทำโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาในสภาวะของความเป็นจริงเท่าที่ เพราะนั้นทำที่นำมาสอนพระมิจฉีและก็บาศกบาสิกาทั่วๆไปก็คือทำย้อนหลังเรียกว่าเอาธรรมสมัยรั้งผู้จัดการนะมาเป็นส ม, มุดฐานแห่งการกำหนดชีวิตเลย จึงมีเรื่องราวต่างๆวางไว้เป็นหลักการสำหรับสถานที่นี้เรื่องของบุญสามประการบางคนนี่ไม่ค่ยจะสนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเท่าที่ควร น, นะนะจะสนใจจะเรื่องกินเรื่องนอนเท่านั้นแหละขอให้ข้ากินดีขอให้ข้านอนดีขอให้ข่ามีอะไรดีๆใช่ในปัจจุบันเอาไปแค่นี้ นักบวก็เหมือนการในนะปัจจุบันนี้จะเอาไปแค่กินดีดนอนดีๆมีอะไรดีๆแค่ปัจจุบนันแค่แค่นี้เองเลยก็เลยไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตัดไม่ส่วนถึงเรื่องการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์รู้จักดีจัดชั่วแต่ถ้ามนุษย์เรานี่ไม่รู้จักดีจัดชั่วเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์โง่ขมนุษย์วางเปลา่า คือว่าป่าจากความรู้ของควาว่าบาปบุญโดยแท้จริงก็จะมีบาปบุญเพียงปลายลิ้นสําหรับไปพูดในคำ ว, ว่าบุญและบาปเท่า น, นั้นแต่สภาวะจิตจริงๆแล้วไม่รู้เลยว่าบุญเป็นยังไงและ้ะบาปเป็นยังไงความรู้สึกในการที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองเรื่องบุญบาปจึงไม่หมายกเสมอขึ้นในชีวิตปัจจุบันใน ท, ที่เรียกว่าเริ่มสร้าง เริ่มสร้างความดีหนีความชั่วหรือว่าเริ่มสร้างบุญหนีกรรมอะไรประเภทเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถึงเรื่องชีวิตของบุคคลเราที่เกิดขึ้นในโลกนี่เขาเรียกว่าชีวิตแห่งความเป็นหนี้เราทุกคนเป็นหนี้กรรมกันมาคือกรรมนํามาเกิดทรงให้เรามาเกิดก็โดยอาศัยที่เรียกว่ามีบุญฐานนิดหนึ่งตอนที่ว่าใดเกิดเป็นมนุษย์กับเขา แต่ถ้ามนุษย์เหล่านั้นไม่รู้จักหน้างาของบุญและไม่บำเพ็ญบุญให้ถูกต้องตามลักษณะแล้วมนุษย์เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ไร้ค่าเรื่องราวของบุญขึ้นก็จะมีกรรมเป็นสมุขฐานอาจจะเปลี่ยนร่างเปลี่นทรงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขึ้นในอนาคตต่อไปคือตามหลักของพุทธศาสนาแล้วพ่กล่าวถึงเรื่องคำว่าอบัยภูมิคือติดที่มาอาจิตที่ละเลยต่อ บ, บุญกุศลตั้นแต่เวนแต่กรรม ก็เลยมีอบายคูนเป็นเครื่องกาหนดเช่นนรกสัตว์เปรตอสุรกายเป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตรงเป็นติด เ, เปลี่ยนใจในสภาวะของมนุษย์ทั้งหลายที่มีนิสนัยแห่งแห่งกรรมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสถานที่นี้หรือว่าคำโรกุตระที่นำมาสอนต่ง้งมาตั้งอยู่ที่สถานที่นี้ค่ถ้าคิดกําหนดแล้วมันก็สิบแปี นะตั้งแต่252ถึงเวลานี้18ปีเต็มนะมาตั้งแต่สมัยมีบาทรูปกดคันมาทั้งสมัยนี้มีพักในทีประชาชนก็พอสมควรถ้าประชาชนที่รับหลักการเรื่องของธรรมหลักนี้ไปก็คงอาจจะเป็นเป็นล้านนะใน18ปีที่อัอาขยายทำขึ้น กระโดยที่เรียกว่ามีจุดประสองค์อยากให้มนุษย์มีธรรมก็ได้เปิดการสอนธรรมขึ้นในสถานที่นี้สามเดือนเต็มนับตั้งแต่แลมหนึ่งข้ามเดือนเดือน8ดถึงแลมหนึ่งข้ามเดือนสิเอจะมีอย่างนี้ทุกวันภาคเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยงภาคบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นภาคกลางคืนสองทุมถึงห้าทุ่มอย่างนี้ตลอดไปเป็นการฝึกฝนนิสยัยสร้างความประพฤติให้มีความเข้าใจในหลักการขึ้น สำหรับการประกอบชีวิตของตนเองทั้งฝ่ายนักบวชก็ดีทั้งฝ่ายบาศบาจกาผดีเกีการในการนำไปใช้ชีวิตขึ้นทั้นสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่ที่มีการอบรมนี้มีความประพื้นดีนะั่นเขาเรียกว่าอริยะเขาเรียกว่าพระอริยะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ทําตนมาจากธรรมบุญกุศลในาการศาสนาในจึงกล่าวถึงธรรมบุญไว้สามประการด้วยกันที่เรียกว่าบุญของสัจจ ที่เกิดข oh ok ึ้นจากการมีข้อเกิดขึ้นและมีข้อยุติประชาชนบางคนพระเนรแม่ชีบางคนนี่ยังไม่รู้ข้าใจในการบวชเรียนว่าบุญกุศลไปถึงไหนมีข้อยุติยังไงโดยทั่วไปโดยมากจะมีคําพูดแบบบุญเท่านั้นเองบุญแปลว่าสุขบาปแปลว่าทุกข์พูดเลยแค่สองคำแต่สถานจริงๆและตนเหตุสาเหตุของบุญและกรรมบุญและบาปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เรื่อง เขาเรียกว่าอับจนในสัจธรรมระพุทธเจ้าเลยก็เลยไม่ใช่อีประเภทสัพเพเหระเข้าหลอกล่อประชาชนให้เกิดจทตาตัณนาที่เราเรียกว่าเครื่องร้างของขังกาตุดผ้ายานไห้หวยหมอดูทําตนเป็นมายาสมัยนี้มีพระคนทรงก็มีเข้าแสดง ต, ตนเป็นคนตรงของผีคนสาอะไรไปตำหนิตำลาวเขาเรียกว่าไร้สัจธรรมระพุทธเจ้าจึงไม่มีประสิทธิภาพขึ้นในชีวิต แต่นี้นักบวชได้ชื่อว่าเป็นผู้นําไม่มีประสิทธิภาพทางศัจจธรรมผู้ติจ้าแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นโมฆะก็จะใช้มายาในวิชาต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าวิชาทั้งคนไม่รู้เท่าของคาว่าบาปกรรมเหล่านั้นมาใช้ขึ้นจะ เ, เรียกว่าวิชาโยมทุกคนมาปั่นทำที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ควรจะเข้าใจทีนิดหนึ่งถึงเรื่องบน ปกติทั้งอาเขาชี้แจงเรื่องคําว่าบุญและก็บารมีมาตลอดสิบปปีเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นคนไหนเข้าใจแล้วก็สร้างความประพฤติในบุญข้งตอนเองต่อไปคนไหนไม่มีความเข้าใจเขายังจะสร้างาขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจบุญชั้นที่หนึ่งนี่เขาเรียกบุญที่เกิดขึ้นจากคาว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสในที่นี้หมายถึงธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟ เส้นบุญเหล่านั้นพระเจ้าทรงให้มีความเข้าใจถึงว่าธาตุทั้งสี่ก็คือชีวิตของเราที่ประกอบไปด้วยสังขารที่เรามีสังขารนันก็เกิดขึ้นจากการให้ธาตุการให้ธาตุแล้วก็กลับกลายมาเป็นธาตุที่เขาเรียกว่าสังขารมนุษย์เป็นธาตุแห่งธรรมเราดูว่าที่ว่าพระพุทธเจ้ามีธาตุอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าก็มีธาตุสี่ บำเพ็ญศีลบา ร, รมีมาบำเพ็ญบา ร, รมีมาถึงทำมาสุดท้ายกลายเป็นฆาตกรรมแห่งความบริสุทธิ์นี่ข้อยุติข้อปําเนิอขอขขเ น, อนข อ, องของบุญข้อที่หนึ่เขาเรียกว่าปัจจัยสข้อยุติของบุญคือมีมีสังขารความเป็นมนุษย์นี่คือข้อสุดท้ายคือข้อยุติของการบุญเชินเราจะทําบุญไปแค่ไหนก็ช่างเถอะจะสร้างโบสถ์สร้างสลาวิวหารลานเทดีช่วยเหลือประชาชน หรือโรงเรียนหรือจะเป็นบ่อน้ํานถนนหท น, นทางโรงพยาบาลอะไรไปทัางก็เป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธแม้แต่ถนนเดียวแต่มีข้อยุติเพียงได้สังขารได้สังขารแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้นเขาไม่ให้มากไปกว่านี้หรอกอันนี้เมื่อมนุษย์คนนั้นมีสังขารของสุขทิมนังแปลว่าได้เกิดขึ้นจากขั้การให้ด้วยน้ําใจไม่มีใครบังคับผูกเข็มหรือวานจ้าง หรื อ, อานาอัตาแล้วบุคคลนั้นจะได้คําว่าบุญบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจับจิตจิตนั้นได้รับคำอาได้รับคำมรและว่าคาสอนของพระจ้าจึงมีจิตใจอิ่มเอิบในเรื่องการทาบุญและเราก็ได้สังขารมานั่งกันแบบนี้แต่นี้ถ้าเราไม่มีบุญข้อนี้มากําเนิดขึ้นนีเราจะด้มานั่งอย่างนี้ไหมเราจะมารู้จกักกินจัดอยูรู้จกักเลือกทําความดีความชั่วกันไหม เราจะมารู้จักคำว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพระพุทธธรรมประสงค์กันไหมถ้าเราไม่ได้ให้ปัจจัยสีในอดีตที่เรียวกว่าบุญของตนเองไว้ทะานั้นเมื่อบุญนี้ส่งผลมาถึงข้อแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องมีจิตอีกประเภทเครืควบคุมของเราไว้ซึ่งเขาเรียกว่าจิตมีปัญญาซึ่งประกอบไปได้วยคำว่ศีลสมาธิและปัญญา บุคคลดาวใดที่มีการศึกษาที่ดีแล้วเข้าใจดีแล้วในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็มีการกระทําขึ้นในคำว่าศีลสมาธิปัญญาเช่นศีลแปลว่าการระมัดระวังในการใช้กรรมคือใช้อารมณ์ถ้าคนไหนไม่สำรวมอารมณ์แล้วคนนั้นจะผิดศีลที่ศีลแล้วจะกลายเป็นกรรมเพราะนั้นการสำรวมอารมณ์จึงตรงไว้ถึงคำว่าศีล สินน่ะหมายกําหนดของข่าววัอยู่ตรงไหนสินี่ไม่ใช่สิน5ศาสินแินสออี่สิบอันนั้นเป็นสินภายนอกที่เรากล่าววัจาขึ้นดูสิน่ะคนถือศินห้าสินแปดสินิบสิี่สิบน่ะมีความมันขึ้นเป็นเช่นไรเอาแต่ศินวาจามากล่าบกันขึ้นแต่ว่าสินใจคือด้านอารมณ์นั้นไม่เคยกคำนึงไม่เคยพูดถึงและไม่เคยกระวาไม่เคยที่จะสนใจในการที่จะ ส, สํารวมในคําว่าสินของอารมณ์ขึ้น ก็เลยกายเป็นคนที่ผิดอารมณ์บ่อยๆและเมิด อ, อารมณ์ขึ้นในลักษณะไม่สำรวมเมื่อจิตนั้นไม่สำรวมอารมณ์แล้วความบริสุทธิ์ของจิตจึงไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้จริงๆนนะก็คือให้สำรวมอารมณ์เหมือนยานอุอาเขียนไว้เนี่ยมีสติใช้อารมณ์มีเหตุมีผลจะเป็นสันติธรรม แต่ถ้าคนนั้นไม่มีสติในการใช้อารมณ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุของอารมณ์ย่อมทำให้คนเราถึงขนาดหายหนะกรรมเลิกได้เขาเรียกว่าแข็งก็ได้สามารถที่จะทํากรรมได้ทุกชนิดถ้าคนนั้นขาดสติการใช้อารมณ์เช่นคำว่าดูถูกหรือเหยียดหยามหรือด่าว่าพระพุทธธรรมประสงค์คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ป้านะอาหรือเพื่อนเกิดขึ้นตาย เห็นไหมคนนั้นขาดสติสัำไปทันยัาแห่งการใช้อารมณ์แล้วจะเกิดเป็นอุบัติแห่งกรรมเลยเขาเรียกว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้ศาจัดธรรมพระพุทธเจ้าจึงให้เราสำรวจในคำว่าอารมณ์เหมือนกับการถือสินมนุษย์สมัยนี้มาถือแต่คำว่าสินหสิน8ถึงร2 7่แต่ไม่เคยถืออารมณ์แล้วมนุษย์เหล่านั้นจะมีความมืดสุดขึ้นได้ไห พระเจ้าไม่เคยมาถือศีลสองยเจ็ในเรื่องความบริสุทธิ์แต่พระเจ้าทรงบัญญัติถึงคนที่ผิดศีลในเรื่องอารมณ์ต่างหาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติขึ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นแท้จริงแล้วพระเจ้านะสำรวมอารมณ์จนบริสุทธิ์ตั้งสมาธิจิตใจที่แน่วแน่ที่จะพิจารณาถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นการตายต้าอารมณ์เนี่ยคำว่าจิตที่สนใจถึงเรียกว่าสมาธิ คนเรา ม, มีสมาธิที่จะดูในลักษณะอารมณ์ปรุงแต่งจิตแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอารมณ์อะไรควรทําและอารมณ์อะไรไม่ควรทําถ้าอารมณ์เ่าใดที่มันควรทําเกิดเป็นสันติธรรมแล้วเขก็ทําขึ้นแต่ถ้าอารมณ์อะไรที่มันทาให้เกิดเป็นลักษณะปะทัทสุราชกายวาจาจิตแล้วเขาก็ไม่ทํานั่นคือเยี่ยงอย่างทังคนที่เขาหมีทำแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยมันจะมาสํารวจมันเข้ามาอารมณ์กันเท่าไหร่นักหรอกสังเกต ด, ดูก็ได้ นักบวชที่บวชมาประชาชนที่เด้อดผวาสมใจกาขวัดขวาวมาตั้งหน้าตั้งตาถือแต่ศีลแต่ไม่เตื่นสงบมอารมณ์แล้วก็ทำให้เกื่เป็นลักษณะอะไรขึ้นเพราะนั้นสมาธิแปลว่าตั้งใจจะดูอารมณ์สํารวมอารมณ์สร้างความเข้าใจในอารมณ์ก็จะรู้จักคาว่าดีและชั่ว